นามรูปเป็นปัจจัยแห่งสลายตนะในบทว่านามารู ป, ปปัจจยาสลายตนงนามได้แก่ขันสามรูปได้แก่รูปมีภูตรูปและวัตถุรูปคือหัยวัตถุเป็นตน้นนามรูปนั้นอันทำให้เป็นเอกเสสะเป็นปัจจัยแก่สลายตนะนั้น อันทำให้เป็นเอกเสสะเช่นนั้นเหมือนกันเอกเสสนัยอาการกาหนดด้วยเหลือศัพท์เดียวเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในวยากนบาลีกล่าวคือบุคคลวัตถุหรือภาวะบางอย่างเป็นของควบคู่กันมาด้วยกันเสมอเมื่อเห็นอย่างหนึ่งก็เป็นอันรู้ถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยหรือเป็นของชุดเดียวกันจำพวกเดียวกัน เมื่อเรียกอย่างหนึ่งจะหมายถึงอย่างหนึ่งอย่างใดในชุดหรือในจำพวกนั้นก็ได้ในกรณีเช่นนี้บางทีท่านกล่าวถึงหรือออกชื่อไว้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอันเดียวให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังหมายรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยหรือให้เข้าใจเอาเองจากข้อความแวดล้อมว่าในที่นั้นหมายถึงอย่างไหนข้อใดในชุดหรือในจาพวกนั้นจึงเรียกว่า เหลือไว้อย่างเดียวหรือเหลือไว้สับเดียวเช่นพูดอย่างคำบาลีว่าพระสารีบุตรทั้งหลายก็หมายถึงพระสารีบุตรและพระมหามมคลานะหรือในหลักปฏิจจสมุปบาทคำว่านามรูปเป็นเอกาเสสะหมายถึงนามหรือรูปหรือทั้งนามและรูปคำว่าสลายตนะก็เป็นเอกาเสสะ หมายถึงอายตนะที่หก็ได้อายตนะทั้งหก็ได้ดังนั้นเมื่อพูดว่านามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะถ้าหมายถึงอรูปภพก็ต้องแปลความว่านามเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะที่หคือมโนอันหนึ่งเมื่อสิ่งอื่นในชุดเดียวกันมีคำเฉพาะระบุชัดอยู่แล้วคำที่เป็นชื่อรวมๆของชุด ก็ย่อมหมายถึงสิ่งที่ยังไม่ถูกระบุด้วยคำอื่นเช่นในคำว่าสุขติและโลกสวรรค์สวรรค์เป็นสุขติแต่มีคำเฉพาะระบุไว้แล้วดังนั้นคำว่าสุขติในกรณีนี้จึงหมายถึงโลกมนุษย์ซึ่งเป็นสุขติอย่างเดียวที่เหลือนอกจากสวรรค์คำอธิบายเอกาเสสนันจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ จะบับประมวลสัพ์สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ประยุทธ์ประยุะยโตขยายความในบทนามะรูป ป, ปัจจยาสลายตนังความว่านามรูปอันเป็นปัจจัยแก่สลายตนะนั้นใดในนามรูปนั้นพึงทราบว่าขันสามมีเวทนาเป็นต้นชื่อว่านาม ส่วนรูปเป็นของเนื่องด้วยสิ่งที่มีสันตติโดยเฉพาะได้แก่รูปมีภูตารูปและวัตถุรูปเป็นต้นอย่างนี้คือภูตารูปสี่วัตถุรูปหกชีวิตินทรียารูปหนึ่งก็แล่นามรูปนั้นอันทําให้เป็นเอกเสสะว่านามด้วยรูปด้วยทั้งนามและรูปด้วยชื่อว่านามรูปดังนี้ พึงทราบว่าย่อมเป็นปัจจัยแก่สลายยตนะอันทำให้เป็นเอกะเสสะเหมือนกันดังนี้ว่าชัายตนะอายตนาที่หกด้วยสลายตนะอายตนะหกด้วยชื่อว่าสลายตนาถามว่าเพราะเหตุไรจึงทำเอกะเสสะอย่างนั้นตอบว่าเพราะในอรูปภพ นามอย่างเดียวเป็นปัจจัยและนามนั้นก็เป็นปัจจัยแก่อายตนะที่หกเท่านั้นหาเป็นปัจจัยแก่อายตนะอื่นไม่สมคำในวิพังว่านามปัจจยาศัธายตนะังอายตนะที่หกย่อมมีเพราะปัจจัยคือนามดังนี้ในบทนี้นั้นหากมีคำถามว่า ก็ข้อที่ว่านามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะนั่นจะพึงทราบได้อย่างไรคำแก้พึงมีว่าทราบได้โดยที่มันมีในเมื่อนามรูปมีจึงอยู่เพราะมีนามและรูปนั้นๆอายตนะนั้นๆจึงมีมันหามีโดยประการอื่นไม่ก็แล ความที่อายตนะมีเพราะนามรูปนั้นมีนั้นจักมีแจ้งในปัจจยในยทีเดียวดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นในปฏิสนธิการหรือในประวัติการก็ดีนามใดแล้วรูปใดเป็นปัจจัยแก่อายตนะใดและเป็นปัจจัยโดยประการใดปราดพึงนำพาโดยประการนั้นเถินต่อไปนี้เป็นคาขยายความ ในคถาปัจจัยในยะนั้นคาถาสังเขปนามเป็นปัจจัยในอรูปภพความว่าในอรูปภพนามอย่างเดียวเป็นปัจจัยเจดอย่างและหกอย่างในปฏิสนธิการและประวัติการนั่นว่าโดยอย่างตำเป็นอย่างไร ว่าในปฏิสนธิการก่อนโดยอย่างตํานามย่อมเป็นปัจจัยแก่ชัฏายตนาเจ็ดอย่างโดยเป็นสหาชาตะอัญญามัญญานิสยาสัมปยุตตะวิปากะอัติและอวิคตปะปัจจัยอนหนึ่งในปฏิสนธิการนี้นามเป็นปัจจัยโดยประการอื่นบ้างก็มีดังนี้ คือนามบางอย่างเป็นปัจจัยโดยเหตุปกปัจจัยบางอย่างเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยส่วนอย่างสูงและอย่างต่ำพึงทราบโดยอำนาจเหตุปกปัจจัยเป็นต้นนั้นแม้ในประวัติการนามที่เป็นวิบากก็เป็นปัจจัยโดยในยะที่กล่าวแล้วเหมือนกันแต่ในปัจจัยมีประการดังกล่าวโดยอย่างต่ำนั้นนามนอกนี้ คือ น, นามที่ไม่ใช่วิบากย่อมเป็นปัจจัยโดยปัจใจหก ย, ยกเว้นวิปากับปัจจอันหนึ่งในประวัติการนี้อวิปากนามเป็นปัจจัยโดยประการอื่นบ้างก็มีดังนี้คือ น, นามบางอย่างเป็นปั จ, จัยโดยเหตุปั จ, จัยบางอย่างเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยส่วนอย่างสูงและอย่างต่ำ พึงทราบโดยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้นคถาสังเขตนามเป็นปัจจัยในภพอื่นแม้ในภพอื่นนามก็เป็นปัจจัยแก่อายตนะที่หกในปฏิสนธิอย่างนั้นคือเจ็ดอย่างเหมือนกันแต่มันเป็นปัจจัยแห่งอายตนะนอกนี้ โดยอาการหกขยายความความว่าแม้ในภพอื่นจากอารูปภพคือในปัญจววการภพวิปากนามนั้นเป็นสหายคือร่วมกับหัตถยาวัตถุเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่หกคือมนายตนะอย่างต่ําก็เจ็ดอย่างเช่นที่กล่าวในตอนอรูปภพเหมือนกัน แต่มันเป็นสหายคือร่วมกับมหาพูดสีเป็นปัจจัยแก่อายตนะห้านอกนี้มีจักกายตนะเป็นต้นโดยอาการหกโดยเป็นสหชาตะนิสยะวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัยอันหนึ่งในปฏิสนธิการนี้วิปากนาม เป็นปัจจัยโดยประการอื่นบ้างก็มีดังนี้คือนามบางอย่างเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยบางอย่างเป็นปัจจัยโดยอาหารรปัจจัยส่วนอย่างสูงและอย่างต่ำพึงทราบโดยอานาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้นคาถาสังเขนามเป็นปัจจัยแก่ชัฏทายตนะ แม้ในประวัติการวิปากนามก็เป็นปัจจัยแก่อายตนะที่หกอันเป็นวิบากอย่างนั้นคือเจ็ดอย่างส่วนวิปากนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่หกที่มิใช่วิบาก6หกอย่างขยายความความว่าแม้ในประวัติการในปัญจโวกาลรภวิปากนามก็เป็นปัจจัย แก่อายตนะที่หกที่เป็นวิบากอย่างต่ำก็เจอย่างดังในปฏิสนธิการเช่นกันส่วนอวิปากนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่หกที่ไม่ใช่วิบากอย่างต่ำหกอย่างเท่านั้นโดยชักวิปากับปัจจัยออกเสียจากปัจจัยเจ็ดนั้นส่วนอย่างสูงและอย่างต่ำในปัจจัยตอนนี้ก็พึงทราบโดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นแล คาถาสังเขปนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่เหลือในประวัติการนั้นแหละวิปากนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะห้าที่เหลือสี่อย่างแม้อวิปากนามท่านก็ประกาศไว้อย่างนั้นเหมือนกันขยายความความว่าในประวัติการนั้นนั่นแหละ วิปากนามที่เป็นวัตถุแห่งประสาทามีจักขูประสาทเป็นต้นก็ดีนอกนั้นก็ดีย่อมเป็นปัจจัยสี่อย่างแห่งอายตนะที่เหลือห้ามีจักขายตนะเป็นอาธิโดยเป็นปัจฉาชาตะวิปยุตตะอธัธิและอวิคตะปัจจัยก็แล ว, วิปากนามเป็นปัจจัยอย่างใดแม้อวิปากนาม ท่านก็ประกาศไว้ว่าเป็นปัจจัยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นพึงทราบว่านามแม้แตกต่างกันโดยเป็นกุศลเป็นต้นก็เป็นปัจจัยแก่อายตนะห้านั้นสี่อย่างนามอย่างเดียวเป็นปัจจัยแก่อายตนะใดและเป็นปัจจัยด้วยประการใดๆในปฏิสนธิการหรือในประวัติการก็ดี บัณฑิตพึงทราบโดยประกาศนั้นดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรกคาถาสังเขปรูปนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะในคันทพบส่วนรูปไม่เป็นปัจจัยแก่อายตนะแม้อย่างเดียวในอรูปภ พ, พนั้นแต่ในปัญจคันทพบ ในปฏิสนธิทางรูปวัตถุรูปเป็นปัจจัยแก่ชัธายตนะหกอย่างภูตรูปทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่อายตนะห้าโดยไม่แปลกกันสี่อย่างขยายความความว่าในปฏิสนธิทางรูปวัตถุรูปย่อมเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่6 คือมัายตนะหอย่างโดยเป็นสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัยส่วนภูต ร, รูปสี่เป็นปัจจัยสี่อย่างแกอ่อายตนะทั้งหมีจักขายตนะเป็นต้นสุดแต่อายตนะไหนจะเกิดขึ้นโดยเป็นสหาชาตานิสยาอัตถิ และอาวิกตะาปัจจัยทั้งในปฏิสนธิการและในประวัติการโดยไม่แปลกกันชีวิตต่รูปและอาหารรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะห้านั้นฝ่ายละสามอย่างในประวัติการอายตนะห้านั้นเล่าก็เป็นปัจจัยแก่ชัธายตนะหกอย่างวัตถุรูป ก็เป็นปัจจัยแก่ชัฏายตนะนั้นเหมือนกันห้าอย่างส่วนรู ป, ปะชีวิตะหรือรูปชีวิตเป็นปัจจัยสมอย่างด้วยเป็นอัติอวิคตะและอินทรียปัจจัยหรืออินรียปัจจัยแก่อายตนะห้านั้นมีจักขายตนะเป็นต้นในปฏิสนธิการและในประวัติการด้วย และอาหารก็เป็นปัจจัยสามอย่างโดยเป็นอัติอวิคตะและอาหารปัจจัยแต่อาหารนั้นย่อมเป็นปัจจัยแต่ในกายที่ทราบรสอาหารได้ของสัตว์เหล่าที่อาศัยอาหารเป็นอยู่ในประวัติการเท่านั้นหาเป็นปัจจัยในปฏิสนธิการไม่ส่วนอายตนะหมีจักขายตนะเป็นต้นนั้น เป็นปัจจัยแก่สัทธายตนะคือมานายตนะอันได้แก่จักขุโสตคานะชิวหากายวิญญาณหกอย่างโดยเป็นนิสยะบุเรชาตะอินทริยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะปัจจัยในประวัติการไม่เป็นในปฏิสนธิการอันหนึ่ง วัตถุรูปเป็นปัจจัยแก่มนายตนะนั่นแหละเว้นวิญญาณหคือมนายนะที่เหลือห้าได้แก่มโนวิญญาณอย่างใดเป็นนิสยะปุเรชาตะวิประยุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัยเฉพาะในประวัติการไม่เป็นในปฏิสนธิการ รูปอย่างเดียวเป็นปัจจัยแก่อายตนะใดๆในปฏิสนธิการหรือในประวัติการก็ดีและรูปนั้นเป็นปัจจัยโดยประการใดบัณฑิตพึงทราบโดยประการนั้นดังกล่าวมาชนี้คาถาสรุปปัจจัยของรูปนาม ก็นามแล้วรูปทั้งสองใดเป็นปัจจัยแก่อายตนะอะไรและเป็นโดยประการไรแม้นามแล้วรูปนั้นปราดก็พึงทราบโดยประการทั้งปวงเถิดข้อนี้เช่นอย่างไรเช่นว่าฉั้นแรกว่าในปฏิสนธิก่อนนามแล้วรูปกล่าวคือขันสามและวัตถุรูปย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นสหาชาตะ อัญญามัญญานิสยะวิปากะสัมปยุตตาวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะปัจจัยเป็นต้นแก่ชัดฐานะในปัญจโวการพบดังนี้เป็นต้นนี้เป็นเพียงมุกหนึ่งในข้อนี้แต่ปราดอาจประกอบความได้ทุกอย่างพิสดารในข้อนี้แลนี่เป็นคาถาอย่างพิสดารในบทว่า นามรูปะปัจจยาสลายตนังสลายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะโดยสังเขปผัสสะก็มีหกเท่านั้นมีจักขุสัมผัสเป็นต้น แต่โดยพิสดารมีถึงส2สองดุจวิญญาณขยายความความว่าโดยสังเกตผัสสะในบทว่าสลายตนะปัจจยาผัโสโศก็มีหกเท่านั้นมีจักขุสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัส และมโนสัมผัสแต่ว่าโดยพิสดารผัสสะมีจักขุสัมผัสเป็นต้นทั้งหมดมีถึงสาสบสองดุจวิญญาณที่กล่าวแล้วซึ่งมีเพราะสังขารปัจจัยดังนี้คือผัสสะสิบคือเป็นกุศ ล, ลวิบากคือเป็นกุศลวิบากห้าอกกุศลวิบากห้าละผัสสะยี่สิสอง อันสัมปยุตกับวิปากวิญญาณฝ่ายโลกยะ22สองที่เหลือคาถาสังเขปวาทะของอาจารย์ก็แหลสลายตนะอันเป็นปัจจัยแก่ภัษทาทั้งยี่สิบสองอย่างนั้นใดในสลายตนะนั้นอาจารย์ผู้มีปัญญาทั้งหลายปรารถนาเอาสลายตนะภายในมีจักษุเป็นต้น กับสัฏหายตนะบ้างปรารถนาเอาสลายตนะกับอายตนะภายนอกหกบ้างขยายความในอาจารย์ทั้งหลายนั้นอันดับแรกอาจารย์เหล่าใดชี้เอาธรรมะที่เนื่องด้วยสิ่งที่มีสันตติประจำตัวที่เป็นทั้งปัจจยธรรมและเป็นปัจจุบันธรรมด้วยทีเดียวด้วยความว่า นี่เป็นการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งสิ่งที่เป็นอุปทินกะอาจารย์เหล่านั้นย่อมปรารถนาเอาว่าสลายตนะภายในมีจักขุเป็นต้นกับชัฏายตนะโดยทำเอกเทสะสรูเปกเสสะว่าชัฏายตนะในอรูปภพโดยทานองพระบาลีว่าชัฏายตนะปจจยาผัดโส พัสสะมีเพราะปัจจัยคือชัฏฐานะชนนี้ด้วยสลายตานะในภพอื่นด้วยสัพพสังหะคือรวมเข้าด้วยกันหมดด้วยเป็นปัจจัยแก่พัสสะดังนี้อันที่จริงคําดังว่านั้นก็เท่ากับวิเคราะห์เอกเศษะว่าชัฏฐายตนันจะสลายตนะันจะสลายฐาัง ชัธายตนะคืออายตนะที่หกด้วยสลายตนะอายตนะหกด้วยชื่อว่าสลายตนะนั่นเองส่วนอาจารย์เหล่าใดชี้เอาธรรมะที่เนื่องด้วยสิ่งที่เป็นเอกสันตติคือสันตติอันเดียวซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมเท่านั้นแต่แสดงปัจจยธรรมเป็นพวกพินแะสันตานะ คือมีสันตติแตกต่างกันไม่เนื่องกันอาจารย์เหล่านั้นอายตนะใดๆเป็นปัจจัยแก่ผัสสะได้จะแสดงเอาอายตนะนั้นๆทั้งหมดจึงกำหนดเอาอายตนะภายนอกด้วยปรัธนาว่าอายตนะภายในกับศัทธายตนะนั่นแหละพร้อมทางอายตนะภายนอกมีรู ป, ปายตนะเป็นต้นด้วย ชื่อว่าสลายตนะดังนี้ที่จริงแม้คำที่ว่านั้นเมื่อทำมันให้เป็นเอกเสสะเสเว่าชัดทายตนะจะสลายตนนจะสลายตนงชัดทายตนะด้วยสลายตนะด้วยชื่อว่าสลายตนะชนี แก้ปัญหาว่าผัสสะอันเดียวเกิดแต่อายตนะทุกอย่างไม่ได้ก็เรียกว่าสลายตนะเหมือนกันในข้อนี้มีผู้ท้วงกล่าวว่าผัสสะอันเดียวหาเกิดแต่อายตนะทุกอย่างได้ไหมทั้งผัสสะทุกอย่างก็หาเกิดแต่อายตนะอันเดียวได้ไหมแต่ผัสสะในปาฐะว่า สลายตนะปั จ, จยาผัสสนี้ตรัสไว้แต่อันเดียวจะไหนจรตรัสผัสสะนั้นแต่อันเดียวเล่านี่เป็นคำแก้ในข้อนั้นคือที่ว่าผัสสะอันเดียวเกิดแต่อายตนะทุกอย่างไม่ได้หรือว่าผัสสะทุกอย่างเกิดแต่อายตนะอันเดียวก็ไม่ได้นั่นจริงแต่ว่าผัสสะอันเดียว ย่อมเกิดแต่อายตนะหลายอย่างได้เช่นจักขุสัมผัสย่อมเกิดแต่จักขาอายตนะกับแต่รูปายตนะแต่มนายตนะกล่าวคือจักขวิญญาณและแต่ธรรมายตนะอันเป็นสัมปยุตรธรรมที่เหลือรวมกันเป็นอาทิบัณฑิตพึงประกอบความตามควรในภาษะข้ออื่นทุกข้อดังนิทัศนะที่กล่าวนี้เถิด ก็เพราะเหตุนั้นแหละพระตถาคตจึงทรงสแสดงโดยเอกวจนะนิเทศเพื่อส่องความว่าผัสสะแม้อันเดียวมีอายตนะหลายอย่างเป็นแดนเกิดได้คำว่าโดยเอกวจนะนิเทศเป็นต้นความว่าพระตถาคตทรงสแสดงพระพุทธธิบายว่าผัสสะอันเดียว ย่อมมีพราะอายตนะหลายอย่างได้โดยแสดงออกด้วยคำเป็นเอกพจน์น้ว่าสลายตนะปั จ, จยาผัโสโศส่วนว่าในอายตนะทั้งหลายบัณฑิตพึงชี้แจงอายตนะห้าในความเป็นปัจจัยแก่ภัษะนั้นหกอย่างพึงชี้แจงอายตนะหนึ่งัดอายตนะห้านั้นไปในความเป็นปัจจัยแก่ภัษะนั้นก้าอย่าง พึงชี้แจงอายตนะภายนอกหกในความเป็นปัจจัยแก่พัสสนั้นตามที่มันเป็นต่อไปนี้เป็นคำชี้แจงในความที่อายตนะเป็นปัจจัยแก่พัสสนั้นอันดับแรกอายตนะภายในห้ามีจักขายตนะเป็นต้นเป็นปัจจัยหกอย่างโดยเป็นนิสยะบุเรชาตะอินเทริยะ วิปยุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัยแก่พัทสะห้าอย่างโดยแยกเป็นจักรุสัมผัสเป็นต้นอายตนะหนึ่งถัดอายตนะห้านั้นไปคือมานายตนะอันเป็นวิบากเป็นปัจจัก้าอย่างโดยเป็นสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาวิปากะอาหาระ อินทริยาสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัยแห่งมโนสัมผัสที่เป็นวิบากหลายประเภทส่วนในอายตนะภายนอกทั้งหลายรูปายตนะเป็นปัจจัย่อ ย, ย่างโดยอารมณนะปุเรชาตาอัตถิและอวิคตะปัจจัยแก่จากขุสัมผัส อยายตนะที่เหลือมีสัทธายตนะเป็นต้นก็เป็นปัจจัยแก่ผัสสะที่เหลือมีโสตสัมผัสเป็นอาธิโดยในยะเดียวกันนั้นแต่สําหรับมโนสัมผัสมีอยายตนะเหล่านั้นด้วยธรรมอารมณ์ด้วยเป็นปัจจัยโดยเป็นปัจจัยในเดียวกันนั้นและโดยเพียงแต่เป็นอารมนานปัจจัยเท่านั้นด้วยบัณฑิต พึงชี้แจงอายตนะภายนอกหกโดยความเป็นปัจจัยแก่พัฒสะนั้นตามที่มันเป็นคือมีเป็นอารมณะปัจจัยเป็นต้นโดยนัยยะดังกล่าวมาชะนี้แลนี้เป็นคะถาอย่างพิสดารในบทว่าสลายตนะปัจจยาผัดโส